ก็ในช่วงเช้าเราเจริญสติว่าด้วยการออกคนร่างกายก็เป็นประโยชน์ในแง่ของกายแล้วก็ออกกำลังใจก็เป็นประโยชน์ในแง่ของใจก็ทั้งหมดเป็นการบูรณาการทั้งกายทั้งใจให้ให้มีความพร้อมใช้นะ แล้วก็ตามที่เราใช้ดีแล้วก็ดูแลรักษาเช่นรถแล้วไปไหนสะดวกสบายไปถึงเป้าหมายได้ไวไประหยัดแล้วก็ดูแลรักษาดีบางคนรถซื้อตั้งแต่นูนตั้งแต่หนุ่มๆจนถึงปัจจุบันก็ใช้ได้ดีเนาะยมจับรรถเก่งขนาดนั้นกี่ปีนะห้าสห้าสี่สิบปี ตั้งแต่แต่งงานยังช้อยู่บางคน40ปีนี้เปลี่ยนรถเป็นรถกี่คันนอะเ <c oughs> นี่ยผลต้องการดูแลรักษาวัตถุภายนอกมันก็ไม่ต้องสิ้นเปลืองบ่อยๆไม่ต้องเหนื่อยแล้วการเปลี่ยนไปเป็นมาก็ใช้ได้ดีที่นี้รถคันนี้ดูแลรักษาดีเนะี่ยรถคันที่มันเดินได้เนะข <c oughs> ี่เกียรรักษาในรถคันนี้นะคร ก็ในทำนองเดียวกันก็คือการมาดูแลรักษาร่างกาย น, น, นี่เปรียบเหมือนรถจิตเปรียบเหมือนคนขับถ้าหากคนขับดูแลรถ ด, ดีรถก็รับใช้เรานา น, านและจิตของเราดูแลกายดีกายก็รับใช้เราได้นานนะซึ่งถ้ารถเราใช้แบบว่าตามใจตามกิเลสรถก็พังไว บางคนเอาออกจากห้างมาไม่นานป้ายแดงไม่ทันเปลี่ยนเลยชนเรียบร้อยอะไรเงี้ยคนก็เสียละหรือบางคนอย่างยุโรปอเมริกาใช้ไม่ถึงสามปีห้าปีเขาก็เปลี่ยนละเปลี่ยนแต่ละครั้งก็ต้องเพิ่มเงินเพิ่มเงินเพื่อต้องมาตั้งอะไรหางเงินกันตลอดชีวิตเพื่อที่จะได้มาซ่อมแซมความสิกรอของตัวเอง ดังนั้นเองการที่พระพุทธเจ้าค้นพบหลักของการดูแลชีวิตที่ไม่ทุกเนี่ยที่เรียกว่านิพพานาเป็นหลักการที่สูงสุดที่มนุษย์ทุกคนคนที่จะต้องอมีต้องได้ต้อ ง, องถึงนะแต่ว่าก็แล้วแต่ว่าคนแต่ละคนจะมีความตั้งใจแค่ไหนนะตั้งใจที่จะพัฒนาดูแล ต้องมีคุณสมบัติอย่างที่ได้กล่าวแล้วต้องมีความขยันมีความอดทนมีสติปัญญานะแล้วก็ต้องทําเรื่อยๆต้องฝึกเรื่อยๆจนให้มันเป็นทักษะแต่ร่างกายนี่มันโรคที่น่ากลัวที่สุดคือโรคอะไรเดียวพี่ชัยโรคที่ทุกคนเป็นอยู่ไม่หยุดตั้งแต่แก่จนตายนี่คือโรคอะไรแต่ว่าโรคล้มน้าโรค ก, ก็ไม่ใช่นะแต่โรคอันนี้มันครอบคลุมทั้งหมดเลย นะเขาแล้วโลกไตรักโลกอนิจังโลกทุกขังโรคหันาตาครับอมาดูแล้วนะโอ้โลกนี้น่ากลัวแค่เราจับแก้วไม่เที่ยงนิดเดียวเลยแต่เโผโลอละอะไรรำเน้ยนะลูกไปเดินผิดจังหวะนิดเดียวเนะี่ยคอแผลงแล้วเนี่ยแค่นิดเดียวนะี่ะมันสามารถที่จะเปลี่ยนเป็นคนละคนได้เลยเพราะโลกอณิจังนะ ดังนั้นเราก็ต้องบริหารนะาบริหารจัดการโลกอันนี้ไปให้ได้นานที่สุดการปฏิบัติธรรมก็คือการดูแลเลยสองเรื่องนี่แหละดูเรื่องกายไม่ให้เจ็บให้ป่วยไวเกินไปดูเรื่องใจไม่ให้ทุกข์นะี่อาการปฏิบัติธรรมแล้วก็ตลอดชีวิตของเรามันก็จะมีน่าจะมีแค่สองเรื่องนี้ด้วยนะการบริหารดูแลร่างกายาให้สบาย ดูแลร่างกายจิตให้ไม่ทุกข์ถ้าหากว่าเราโฟกัสเรื่องที่เราจะบริหารจาัด ก, การชีวิตของเราของเราแค่สงเรื่องเรื่องมันเกิดจะไม่มากเราก็มีโอกาสได้พบกับความสุขสงบของชีวิตแล้วเวลาที่เหลือเราก็มีกำไรในการที่จะแบ่งปันในประสบการณ์ที่เรารักษาชีวิตให้มีความสงบมีความสุขให้แก่เพื่อนมนุษย์ด้วยกัน เพราะว่าคนเกิดมาในโลกเนี่ยไม่เท่ากันนะหมายความว่ามีกําลังไม่เท่ากันมีสติปัญญาไม่เท่ากันบุญวาสนาบรารมีมาไม่เท่ากันถ้าคนที่อ่อนกว่าคนที่ไม่มีเราก็จะบอกว่าเขาไม่ได้สั่งสมมาเขาก็ต้องทุบกรรมกรรมของเขานถูกต้องไหมแต่คนนี้เขาเคยสั่งสมมานานเขาก็สมควรที่สบายไม่ต้องไปสนใจคนยากคนจนคนอน่อ น, อนแ อ, นแอนทั้งหลาย ที่อย่างนี้ถูกต้องไหมใช่ไหมป่าทั้งป่าเนวถ้ามันมีแต่ไม้ยืนต้นมันอยู่ไม่ได้นะมีต้องมีไม้เล็กไม้น้อยมีเท้าวันมีหญ้าอะไรคลุมกันไปเพื่อสันว์นนมาสนุนซึ่งกันอะไรกั น, นอันนั้นเองก็เช่นเดียวกันในหมู่สัตว์ทั้งหลายก็มีทั้งอ่าคนอ่อนแอคนเข้มแข็งคนฉลาดคนโง่คน รู้มากคนรู้น้อยคนขี้โลกคนไม่มีโลกอะไรเนี่ยก็อยู่คละกันไปแล้วก็คนที่มีกำลังมากกว่าก็จะต้องดูแลคนที่มีกำลังน้อยกว่ า, าเป็นตน้นอย่างนี้ก็จะอยู่กันได้ดังนั้นกายกับใจของเราเหมือนกันถ้าว่าลึกๆแล้วเนะี่ยกายกับใจเนี่ยใครเป็นผู้เข้มแข็งใครเป็นผู้อ่อนแอกว่าง่ายๆ ามาง่ายๆระหว่างลูกกับนามคุณถุาก่อนเคยรู้ไหมว่ากายกับใจที่สุดของที่สุดลึกๆแล้วน่ะใครส่วนไหนเป็นส่วนที่เข้มแข็งส่วนไหนเป็นส่วนที่อ่อนแอใครอ่อนแอกว่าใครว่าง่ายๆใครเข้มแข็งกว่าใครดวงขาใจเข้มแข็งกว่ า, านะอ่ะคันดูท้ายเลยนะคันลึกๆเลยนะเรามาดูความจริงของมันว่ากายเนี่ยมันต้องไปไ ป, ไปตามกฎของอะไร ใจรัก่ม I, แต่ใจมันมีสองส่วนส่วนหนึ่งเป็นไปตามกฎตรักส่วนหนึ่งอยู่เหนือกฎใจรักแต่กายเนี่อยู่เหนือกฎใจรักได้ไหมอนุตตรกุลไม่ได้ก็ถือว่ามันอ่อนแอกว่าแต่ใจเนี่ยมันแบ่งไป็สองส่วนส่วนที่อยู่เหนือกฎใจรักก็หมายถึงส่วนที่เป็นแยกจากกายได้แต่ส่วนไหนที่ใจส่วนไหนที่มันแยกจากกายไม่ได้มันก็อยู่ภายใต้กฎของตจรักมันก็อ่อนแอยิ่งกว่าร่างกายอีก ดังนั้นเองมันมีทางที่จะเลือกได้นืเมื่อกายที่เราบริหารจัดการไม่เวทนาไม่ดีความอ่อนแอของกายก็จะมากระทบทั้งจิตจิตก็จะอ่อนแอไปด้วยแต่ว่าถ้าเราบริหารจัดการร่างกายให้ดีความเข้มแข็งของกายก็จะทำให้จิตนี้เข้มแข็งด้วย เกี่ยวข้องกัอนอย่างนี้ทีนี้ใครเป็นผู้บริหารจัดการทั้งสองส่วนบริหาจัดการกายให้เข้มแข็งจิตให้เข้มแขังใครเป็นผู้จัดการเรากําลังหาตัวนั้นน ะ, ะใครเป็นผู้จัดการเช่นคนกินอาหารอร่อยแล้วอยากจะกินมากๆถือว่าใจดูแลกายหรือกายดูแลใจนะหรือกิน อะไรที่มันไม่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายเช่นอาการสุบุรีการกินยาเสพติดทั้งหลายการกินเหล้าแอลกอฮอล์ทั้งหลายานเานี่ยใครเป็นคนสั่งให้กินดังนั้นเง่อนไขเหล่านี้เราก็มาศึกษาดูให้ดีนเมื่อเป็นเช่นนั้นเราก็มีทางเลือกคือว่าเรามีตัวรู้และผู้รู้อยู่คนให้เจอและตัวรู้คนนี้จะเป็นผู้เที่ยงธรรมพิจารณาเห็นว่ากาย คนจะทําทให้ใจนี้เข้มแข็งได้อย่างไรใจคนจะเข้มแข็งทํากายให้เข้มแข็งได้อย่างไรตัวรู้ตัวนี้จะเป็นผู้พิจารณาเราก็จึงมาทําตัวนี้ให้เข้มแข็งนะาตัวรู้เนี่ยให้เข้มแข็งเอาไว้โดยที่ไม่อนอ่อนไปตามกายและตามจิต <c oughs> นะโดยที่ร่างกายเขาก็มีความอ่อนแอนของเขาระดับหนึ่งเวลาเขาเมื่อยขึ้นมาเขาต้องการพักผ่อนเวลาเขาหิวขึ้นมา เขาต้องการนอนพักผ่อนนอนหลับเวลาเขาต้องร้อนขึ้นมาเขาต้องการเย็นเวลาเขาเย็นขึ้นมาเขาต้องการอุ่นอะไรพวกนี้นะสัญชตาตญาณที่เราจะแปลงสัญชตาตญาณให้มันเป็นตัวยานได้อย่างไรซึ่งหลักการเดิมนะโดยการให้กําลังนะให้กําลังคนที่อ่อนแอที่สุด วันนึงมันกลายเป็นคนเข้มแข็งที่สุดก็คือร่างเดียวกันสมัยที่เขาอ่อนแอที่สุดก็จะไม่ชัดนักมวย น, กกมนักก้ามนักกีฬาแต่ว่าหนึ่งเขาเป็นนักกีฬาที่ดีเด่นนะเป็นนักกีฬาที่แข่งขันชนะมาตลอดแต่ครั้งหนึ่งเขาเป็นคนเคยแพ้คนเคยอ่อนแอมาก่อนในร่างเดียวกันในใจเดียวกันแต่มาวันนี้เขากลายเป็นแชมป์โลกกลายเป็นนักแข่งขันที่ดีที่สุดเพราะฉะนั้นมันจะ เปลี่ยนไปโดยไม่ได้ทำอะไรมันเปลี่ยนไปไม่ได้เพราะฉะนั้นในตรงนี้เองท่านถึงเรียกว่าการฝึกฝนการฝึกฝนการเปลี่ยนแปลงเรียกว่าการภาวนาการภาวนาคือการเพิ่มพูนการฝึกฝนการพัฒนา <c oughs> การใช้วิทยาการต่างๆเข้ามาดังนั้นตัวสมถวิปัสสนาก็คือการฝึกฝนนั่นเองเราก็จะมีสองระบบนี้เข้ามา การฝึกสมถะก็คือฝึกร่างกายให้เข้มแข็งการฝึกวิปัสสนาก็ฝึกจิตใจให้เข้มแข็งถ้าถ้าไม่มีสองระบบนี้ก็หมายว่าร่างกายก็อ่อนแอจิตใจก็อ่อนแอดังนั้นก็จะต้องสแสวงหาว่าฝึกอย่างไงให้มันถูกต้องนะอันนี้ส่วนหนึ่งที่เราจะต้องเรียนรู้ฝึกอย่างไงให้ถูกต้องเริ่มตั้งแต่หายใจให้ถูกต้องที่เราสวดตอนเช้าอะหายใจให้ถูกต้องร่างกายนะ หายใจถูกคือหายใจหายใจให้ลึกตลอดเวลาที่เราไม่ได้ตั้งใจหายใจลึกหายใจไป็นยไม่ถึงปอดด้วยซ้ำไปเนาะหายใจแค่ลุกแค่คอไปนิดเดียวหายใจสั้นระหว่างหายใจถูกกับหายใจผิดในชีวิตจวันของเราเนี่ยระหว่างหายใจสั้นกับหายใจยาวเนี่ยอันไหนมีเวลานานกว่าอันไหนสั้นกว่าพอเคยสังเกตไหมในช่วงไหนที่เราขาดสติแทบจะไม่รู้เลยว่าหายใจสั้นหายใจยาวหรือไม ก็หายใจตามสัญชาตญาณแต่ถ้าคนไหนมีสติดึงลมหายใจให้ลึกๆเลยเนี่ยเคยตั้งใจพึงได้ถึงวันไหมยมวิชัยท่านท่านรู้ว่ามันดีนะนั่นดีทําไมไม่ได้คุณชินนนนั่นนั่นนัตัวความเคยชินเป็นตัวที่ทําให้เป็นอเราทําต่อเนื่องไม่ได้ที่นั้นก็ต้องทํำไงถึงจะเอาชนะความเคยชินได้ ก็ต้องฝึกใช่ไฝึกตัวรู้ให้เข้มแข็งให้ประคองตัวการเคลื่อนไหวของอย่างน้อยเนี่ยเอาอย่าว่าแต่ร้อยเลยร้อยเปอร์นอาแค่สิบปรซก็พอละใช่หมตั้งใจหายใจคอลื่นๆโดยเฉพาะเราเราออกกาลังกายส่วนใหญ่เราจะดึงหายใจลึกใช่ไหมมัน ป, ประกอบกันไปด้วย ส่วนนี้ก็อยากจะไปพิจารณาใช้เพราะหายใจลึกมันทำให้เกิดอะไรดึงเอาออกซิเจนเข้าไปสู่ร่างกายมากที่สุดออกซิเจนตัวนี้มันก็เป็นส่วนที่จะไปทำให้เลือดลมของเราเนี่ยมีกำลังขึ้นมานให้เลือดลมของเรามีกาลังขึ้นมาเหมือนกับเราติดไฟไฟมันควนอยู่ไม่ยอมลุกเนี่ยเราก็พม่มออกซิเจนเข้าไปใช่ไหมด้วยการพัดฝมันก็ลุกขึ้นมานหรือน้า ในในน้านไม่มีออกซิเจนปลาอยู่ได้ไหมก็ไม่ได้ก็ต้องไปเติมออกซิเจนปั่นทั้งวันใช่ไหมปั่นออกซิเจนเขาทั้งวันก็อยู่ได้ในตู้ปลาถ้าไม่มีตัวนั้นคอยให้อากาศปลาก็อยู่ไม่ได้ร่างกายนี้ก็เหมือนกันถ้าหากว่าไม่คอยเติมออกซิเจนตลอดเวลาร่างกายนี้เดี๋ยวอ่อนแอเดี๋ยวเข้มแข็งเดี๋ยวขี้โรคแต่ถ้าเราออกกําลังกายนี้เพื่อที่จะให้ออกซิเจนเข้าสู่ร่างกายได้มากที่สุด ถ้าเวลาออกกาลังกายเนี่ยมันเป็นการใช้ลมหายใจ เ, เพราะฉะนั้นคนที่อยู่ตามป่าตามเขาตามาเขาไม่เป็นโรคหายใเจ็บอายุยืนด้วยนะพวกนี้นะทั้งได้ ท, ท, ที่เขาก็ทํางานหนักทั้งวันก็ได้ขึ้นได้ลงอมันจําเป็นจะต้องได้ใช้ลมหายใจลึกดดโดยโดยธรรมชาติเพราะว่าคนที่สูงลงที่ดาเนี่ยต้องหายใจลึกเอาไว้เอาชี่เย็นก็เข้าไปเยอะแต่ในกรณีที่เราเป็นคนเมือง เราไม่ได้ทำอย่างนั้นเราไม่ได้ไปอยู่สภาพางั้นเราจะทำยังไงให้มีออกซิเจนเข้าสู่ร่างกายมากพอๆกับคนที่อยู่บ้านนอกหรืออยู่บนภูเขาก็ต้องฝึกหายใจบ่อยๆลึกๆใช่ไหมอันนั้นส่วนหนึ่งดินน้ำลมไฟทำให้มันเข้มแข็งขึ้นมาดินก็เรื่องอาหารทำไง ห, หาอาหารที่มันมีธาตุอาหารสูงที่สุดก็ฝึกตรงนั้นน้าจะทำงไงให้น้ำนี่เพียงพอ พอสู่ร่างกายวันละต้องการวันณะสองสามวิสก็ให้เขาดำนั้นไฟคือการออกลมร่างกายเพื่อที่จะขับเหงื่อขับของเสียขับของไม่ดีออกจากร่างกายไม่ใช่ทัดไฟคือเผาผลาญในสิ่งที่มันไม่จําเป็นไม่ต้องการเนออกจากร่างกายถ้าเราไม่ฝึกดินน้ําลมไฟให้เข้มแข็งเราเราจะฝึกตัวรู้ให้เข้มแข็งก็ไม่ได้นะมันก็จะอ่อนแอไปตามนั้นดังนั้นในอาณาปณะสติ ที่ทานเราสวดมาเมื่อเช้านี้ว่าโซสตูอัศสติสตูปัสสติเมื่อหายใจเข้าก็ดูหายใจเข้าเมื่อหายใจออกก็ใ ห, ให้รู้ชัดๆปัสสติโซสตูปัสสติสตูแล้วต่อมาท่านใช้กวีคงว่าอัศสันโตทีคงอัศสามีติประชานติท่านจะใช้คำว่าประชานติเมื่อหายใจเข้าลึกที่สุดก็ให้รู้ชัดๆว่าเราหายใจเข้าลึก เริ่มมาหายใจออกยาวก็ให้รู้ให้ชัดๆหาใจเพราะฉะนั้นเราจึงเอาอะไรมาฝึกรวม S K T ใช่ไหมกลับไปบ้านไปดูยู u ู e บ้างว่าไม่ได้ดูใช่ไหมดูยูทุกยมพรรษาได้มาฝึก S K T ไหมข้อที่แล้ว่กลับไปบ้านได้ไปดูซ้ำไหมเราได้ทำตามบ้างว่าทานะนั่นแหละก็ฝึก ก็ลมหายใจในกรรมฐานเนี่ยที่พวกเขาทําอนาปาทำอะไรทําพุโทโธทําหนอเนี่ยเขาก็ฝึกหายใจลึกก็ได้ไประโยชน์ทั้งแง่ของร่างกายแต่บางทีทํามากขึ้นไปนั่งทําทั้งวันอย่างเงี้นะในร่างกายมันได้รับไม่สมดุลอะ่ะได้รับออกซิเจนมากเกินไปกลายปาาาเป็นเอาพึ่งอมภาษาร์เร่งเส้นคือนั่งทํายจนก็นว่าไม่ยอมปรับเปลี่ยนเคลื่อนไหวร่างกายก็ไปติดสงบ เป้าหมายไม่ได้ปเพียงแต่ออกซิเจนเข้าเป้าหมายเอาอะไรเอาความสงบเอาปิติเอาสุขเอาฤทธิ์เดชปฏิหารเอาอานาจสมาธิแต่เป้าหมายที่หายใจเข้าออกไม่ได้เอาออกซิเจนมันเลยไปเอาเป้าหมายตรงนั้นมันผิดเป้าหมายก็ทำให้ร่างกายแต่คนที่เขาทำได้สมดุลก็มีเยอะนะใช้จูรลมหายใจเทวดีร่างกายเพื่อนคนหนึ่งอยู่เจ้าของสานัก อาสมพระธันตะชลบุรีหลายคนรู้จกักเนะและคนเคยไปมาแล้วอาจารย์มสมศักดิ์โสระทูเคอไปอยู่อเมริกาด้วยกันเมื่อหลวงพ่อพระธันตะท่านมรณานถ้าลูกศิษย์ของท่านสององค์ท่านมสมศักดิ์กับท่านอาจารย์ชาลีเนี่ยอาจารย์ชาลีไปอยู่อเมริกาแล้วไม่กลับเลยนะตอนแรกอยู่ที่拉斯เวกสตอนหลังเ น, นก็เขาถวายที่ไปอยู่ที่โอเดกอนและไปสร้างหลวงพ่อสนันเนี่ยมาฝึกวิธีการหัวเทียน เป็นพระหลวงตาอยู่วัดมาก่อนวันหนึ่งมาดูฟังเทพหลวงพ่อเทียนฟังขึ้นหมดเลยในที่สุดก็เปลี่ยนวิธีเปลี่ยนชีวิตใหม่มาเป็นฝึกการเคลื่อนไหวแบบหลวงพ่อเทียนแล้วอาจารย์สงกรานที่ไปอยู่กุฏิเดียวกับท่านก็ได้ฝึกกับท่านอ า, อาจารย์ประสันเมื่อฝึกหลวงพ่อคำเขียนจะไปสร้างวัดที่เอเดนตาที่นิมมุนอัตมาไปไป การทําที่นั่นต่อเนีทางอาจารย์ประสานอายสงกาก็ฝึกวิธีการอุ้วเทียนมาก็เลยเออพระสงฆ์องค์นี้ทั้งใจฝึกก็ผลมาจากหลวงพ่อเัสนานแต่หลวงพ่อเฉลีออกจากราชวิการไปอยู่อุลกรไปอยู่หลวงพ่อเอสนาหลวงพ่อเอสนอาจารย์เฉลีฝึกน้องมาตลอดนะ ก, นก็ไปฝึกเคลื่อนไหวกับหลวงพ่อเอสนานเฉยเลยนะเพราะ้ฝึกหน้องมาแล้วมันมันทื่อมันทื่อแบบทั้ ง, ง, ง, งนไประดับอาจารย์กรรมฐานระดับอาจารย์สอนวิปัสนาอยู่ไอ ศูนย์ฝึกฝนพระธรรมทูต ส, สายต่างประเทศที่เขาค่อนนะอาจารย์เฉลี่ยเป็นคนสอบอารมพระธรรมทูตทั้งหลายเนี่ยก็เปลี่ยนใช่แบบนี้เหมือนกันที่คุบ้าอาจารย์เขาทำฝ่ายนองเขาก็เลยไม่พอใจทําไมไม่เคารพคุบาอาจารย์เปลี่ยนสายแต่อาจารย์ศสมศัพด์ ก, ก็เลยเป็นอมพุทธธรรมาพานอายุอ่อนกว่าดมาอีกเนี่ยเพราะท่านเป็นอาจารย์แล้วก็ท่านเป็นคนที่เรียกว่าตั้งใจมีความจริงจัง นั่นเองบางทีอันใดก็ตามที่มันดีในใช่เกินน่ะมันก็มันก็เป็นโทษเหมือนกันนะะปรับให้พอดีอันนั้นเรื่องลมหายใจนัแต่หายใจสั้นเราเคยรู้ไม่หายใจสั้นท่านบอกรั้สั้นวาอาสะสั้นตและสั้นอาสะสั้นมีตีประจัยเมื่อหายใจเข้าสั้นก็รู้ว่าวหายใจเข้าสั้นเมื่อหายใจออกสั้นก็รู้ว่าวหายใจออกสั้นในช่วงเราหายใจสั้นๆเนี่ยเรา เราเคยเห็นมันไม่หยุ่เล็กเล็กนั่งหลับอหายใจอยู่ด้านหลังด้วยเป่านั่ ง, งสบงบสงบเข้าสมาธิลึก <c oughs> หายใจยาวเนี่ยพอรู้หายใจสั้นรู้ไหมอยู่ภพษาเคยจำดูหายใจสั้นๆไหย <c oughs> แต่เมื่อไรเรารู้สึกว่าเราหายใจเนี่ยเราจะชักชักดึงยาวนะแต่อช่วงสั้นๆเนี่ยเราจะไม่รู้ว่ามันเป็นเนรัจฉาน ใช่แต่ช่วงที่สั้ น, นยไม่ค่อยสังเกตแต่ท่านบอกจีสั้นหรือจีายาวขอให้รู้ตัวว่าเร า, เราหายใจเข้าสั้นต่อมาท่านใช้คำว่าสภกายะปฏิสังเวทีอศาจารสมีติประชานาติเพิ่งศึกษาว่าเมื่อหายใจเข้าะจะทำความรู้กายทั้งปวง หายใจเข้าให้ทํากายทั้งผัวให้รู้สึกแล้วหายใจเข้าออกพยายามไปลึกรู้กายทั้งหมดตั้งแต่หัวจนท้าแล้วหายใจเข้าออกให้รลึกลู้ทุกครั้งความจริงถ้าทําได้ตามนั้นมันถูกต้องนะแต่เนื่องจากไม่ได้ทําไม่ได้ตามนั้นนะต่อมาท่านจะปัจสัมพยังกายยะาสังกรณ์อัสสามิติประชานณติให้รู้ชัดว่าทำกายสังขารให้สงบละ ง, งับอยู่ก็ให้รู้ชัดว่าเรา หมขาขความว่าเวลาเราปวดเราเมื่อยเราทําให้ความปวดเมื่อยหายไปเนี่ยก็ให้รู้ชัดๆดวยความปิดหมืยหายไปามาเขมาเปลี่ยนมาเป็นการเปลี่ยนเยียบทให้เห็นการเกิดขึ้นให้การตั้งอยู่ให้การดับไปเราก็เอาสติตัวที่มาตามดูการเกิดขึ้นตั้งอยู่ต่อไปของการเจ็บปวดสบายไม่สบายนี่ะใช้ปัดสัมพยงังกายะสังขลังอสาสาาัมมิติปะชัยเพื่อศึกษาว่าเมื่อทํากายสังขารให้สงบระงับหายใจเข้าหายใจออก ช่วงนั้นถึงเราไม่ได้ตั้งหายใจเราก็หายใจอยู่แล้วอ่ะใช่ไหมแต่เราเอาตัวตั้งใจไปรู้อะไรลูกายยะสังขารคือความเจ็บปวดปวดเมื่อยความหนักความเบาของร่างกายมันคลายไปมันเกิดขึ้นไปดูตัวนั้นเสียเวลามันคลายไปท่านก็บอกว่าสุกปริสังเวทิอาศัสมิติปัญชานาติให้ศึกษาว่าเมื่อเปลี่ยนร่างกายไปแล้วมันหนักได้ทําให้สบายก็ให้รู้ว่ามันสบายให้รู้ว่ามันสบาย ให้รู้ชัดๆมันมันสบายเนี่ยมันเป็นอนาปานสติแบบเคลื่อนไหวแทนที่เราจะไปดูลมหายใจเข้าออกแต่มารู้การหายไปการดับไปของความหนักของเบาต่อมาท่านจะปีติปฏิสั่งเวทีอัาสาาสัตถมีติปัญชานาติเพื่งศึกษาว่าเมื่อเกิดเบาโปร่งเบาสบายแล้วเนี่ยให้รู้ชัดๆ ซึ่งถ้าเราไมา่ขี้เกียจเนี่ยร่างกายนี่มันจะไม่บอบเลยนะนั่งทั้งวันใช่ไหมแต่ที่นั่งทั้งวันมันขัดมันเมื่อยมันหนักเพราะเราเป็นไงเราขยันไละขี้เกียจขี้เกียจขี้เกียจอะไรขี้เกียจเปลี่ยนขี้เกียจปรับนั่งแช่มอยู่นะนะั้นอ่ะครึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงเพราะนั้นพูดกลุ่มที่จะไปเก็บอารมณ์พึงศงึกษาเรื่องนี้ให้ดีนะต้องปรับร่างกายให้สบายนั่งทั้งวันแต่ร่างกายไม่บอบร่างกายไม่หนักร่างกายเบาสบาย เพราเราขยันปรับไม่ใช่ขยันนั่งนะเอขยันนั่งหมายความชั่วโมงสองชั่วโมงจะได้แช่อย่างเงี้ยใครจะว่ามันไม่มีใครเห็นนะใช่ไหมแต่ว่าเมื่อเป็นร่างกายมันไม่ได้ปรับเปลี่ยนร่างกายเป็นไงมันบอบมันหนักมันหนุ่มเลือดลมไม่สะดวกเพราะฉะนั้นในจุดเนี้ยถ้าเราปฏิบัติถูกมันใช้ได้หมดอะไม่ว่าจะว่าดีอันอันไหนดีกว่าไหนที่มันดีว่าไม่ดีเพราะเราทําผิดทําถูกเอง ะมันไม่ใช่วิธีการเขาบอกว่าถูกหมดไม่วิธีไหนนะที่วิธีนั้นดีกว่าดีไม่ดีแต่ว่าเราทําวิธีเขาไม่ถูกแต่ทําถูกแล้วมันเหมือนกันหมดเลยคูจะเริ่มวิธีไหนก็ได้แต่ว่าทําให้มันถูกไม่ได้ผลหรืออาจารย์สอนผิดไม่ใช่แต่เรามาทําผิดเองนะเพราะฉะนั้นเวลานั่งไปมันง่วงก็ขยันทําไงยมเปี่ยมขยันลืมตาหายใจลึกๆใช่ไหมมันก็หายง่วงแต่ขี้เกียจ ขี้เกียจลืมตายขี้เกียดหายใจลึกๆไปอง เ, เดี๋ยวก็ง่วงอะ่ะ mm hmm. เพราะฉะนั้นถ้าเราขยันปฏิบัติให้ถูกต้องให้มีความเพียรสิบการหนึ่งระวังตัวอะไรที่มันจะเป็นบริสุทธ์ต่ อ, อการปฏิบัติแล้วเขาสมมติเรานี้โอนห้านะเป็นตัวบริสุทธิหนึ่งต้องระวังมันสองระวังขนาดไหนมันก็ต้องเกิดเพราะอะไรเพราะสติสัมปชัญญะเรายังไม่สมบูรณ์ใช่ไหมเกิดแล้วทําไง ต้องจัดการทันทีต้องประหารทันทีประหารทันทีอย่างซูบูนั่งท่า น, นี้เราไม่อยากจะให้ความหนักความปวดมันเกิดห้ามมันได้ั้มห้ามไม่ได้แต่เราจัดการมันได้ก็ปรับแค่นี้มันก็หายแล้วอันนี้ความเพียรในที่สองนะ่คือขยันปรับความเพียรที่สามพยายามเข้าไปสารวจ ตั้งแต่หวัวจนเท้าว่าขณะนี้ฉันปรับแล้วต่อไปไอ้ตัวไม่สบายหรือตัวอุปสรรคมันเกิดขึ้นตรงไหนอีกสํารวจต่อไปไม่ใช่ปรับแล้วก็จะอนิ่งต่อเสียความสบายไม่ใช่สารวจต่อไปอีกว่าไอ้ความอานิวรมันจะเกิดตรงไหนได้อีกเ<ๆ>กิดทางตารหรือเกิดทางหูเกิดทางจมูก<ๆ>หรือเกิดทางลิ้หรือเกิดทางกายหรือเกิดทางใจสํารวจต่อไปเพราะฉะนั้นต้องเป็นนักสํารวจอันที่สามนี่นะ อันที่สี่เมื่อสำรวจว่ามันปลอดภัยแล้วก็รักษาความปลอดภัยนั้นให้คงที่วนอยู่อย่างนี้ น, นี่วนมันก็มีหน้าที่เปลี่ยนแปลงอันคือตามกฎของอนิจจังอนิจจังก็เปลี่ยนไปเป็นทุกขังเราไปแก้อันิจจังทุกขังก็กลายมาเป็นตัวสติสมาธิเราไปแก่ความเพลินในอนิจจังในทุขังก็มาเป็นปัญญาแค่นี้ พันไอตัวสติปัญหาสีจริงตามด้วย ส, สัมมาปัญหาสีใช่ไหมแคทนะเธอไม่ระวังเลยนั่งว่างแงมกันก็ผมพ่อบอกอยู่อ่ะแล้วเธอไม่ทําตามมันจะบอกอยังไงเอมันก็สุดปัญญาเหมือนกันนะเธอนะอะถ้าบอกก็ต้องทําทําโดยทดสอบดูดินะอันนี้คือตัวศรัทธาสําคัญนะศรัทธาที่จะศึกษาศรัทธาที่จะเรียนรู้เนะสําคัญแต่ถ้าหากว่าศรัทธาตรงนั้นไม่พอจะพอกัน ตลอดชีวิตก็ไม่ไ ม, ไม่เวิร์กกันนะไม่มีเวิร์กนนะเพราะฉะนั้นตรงนี้เองถ้าเราเราทำผเราทำผิดเองเราเอ๊ะทำไมวิธีมันไม่เวิร์กไม่ได้ผลก็จะไปที่ผลเราเราทำไม่ถูก น, นะทำไม้ถูกก็คือสมาวายญมาไม่แข็งนั่นเองเพราะฉะนั้นสมาวยะมาอันที่หนึ่งอะไรโยมนนทกรทบทวน อันที่หนึ่งที่เพิ่งพูดไว้เพียง น, นี่เห็นไหมเขาพึ่งเพิ่งผ่านไว้ไม่กี้นี้ไม่ถึงห้านาที ล, ลีวมและอันที่หนึ่งเฝ้าระวังใช่ไหมอ่าระวังอะไรอะ่ะอุบศัก์ชุนต้นที่สุดของนักปฏิบัตินิวรณใช่ไนิวรณมีอะไรบ้างหนึ่งขี้เกียจรักษบายสอง อ, อึดอัดหัดเรื่องไม่ถูกใจสาม เมื่องราห้องนอนสี่ฟุงา่านคุณวายกังวนวิตกห้าลังเลใช่หรือเปล่าหนอ่ห้าตัวเนี่ยเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นอุบัติกลุ่มแรกแล้วก็เฝ้าระวังใช่ไไอ้ว่าไอ้ตัวไหนมันจะมาก่อนมันก็เลี้ยนหน้ากันมาแล้วมันต้องมาจะได้ใช่ไหมเพราะมันเป็นกดที่พระ ศ, ศาสดาเราค้นพบแล้วนะห้าตัวเนี่ยตัวไดตัวหนึ่งมันต้องมามันเที่มาสองตัวใช่ มันทีก็มาสามตัวบางทีก็มาสีาตนนา่ตัวบางคนมาหตัวครบเลยนะหูไปไม่รอดเลยในนะียต้องไปเฝ้าระวังชุดหนาโดสองเฝ้าระวังแล้วเฝ้าระวีอีกมันก็ามาเพราะมันเป็นโกฎของมันอ น, นิจจังขอใเกิดทุกขังใจมาตัวอุปสรรคนั้นต้องมาทีนี้เราทันตัวแรกก็สบายไปไม่ทันตัวแรกมาจัดการตัวที่สองคือมาปะหารมาจัดการเขาใช้คำว่าปะหานะสัมปทา มาประหานะสังวรนะประหานะประธานน้องแคทกระดินคงนี้ไหมคําว่าประหารนะ่ะแปลว่าอะไรนะการะหารเราคำจัดแปลว่าฆ่าประหารแต่เราประหารแล้วประหารอี่มันก็มาอยู่ไม่อยู่ไม่หย่อนยงทันษาเคยได้ย่าที่บ้านไหมแล้วก็ตัดทุกข์ครั้งนลย น, นะ มันก็มาอีกเบื่อไม่ที่จะดัดมันก็กลายเป็นหน้าที่ไปนะถึงเวลาอย่ามีกานเนี่หน้าบ้านใครหน้าบ้านมันต้องตัดถึงเวลาต้องตัดถ้าไม่ตัดเป็นไงทางการเขามาตัดให้แต่คุณต้องเสียเงินถ้าคุณตัดเองเสียเสียท่าไหลายครั้งละไม่ถึงค่าน้ํามันไม่ถึงสองเหรียญสมเหรียญใช่ไหมแต่เขามาตัดเองเขาเอาเท่าไหร่เป็นร้อยอ่ะ ผคุณยาผูุ้ณยายตัดเองหรือยายให้คนอื่นมาตัดเพราบ้านเขาเป็นเซตเดียวกันต้องเหมือนกันหมดนะคนหนึงหน้าบ้านเรียบอยีกคนนึงบ้านลบนไม่ได้เขาไม่ยอมอเสียไอ้นั่นเขาเสียนิเวศเขาเนี่นี่คือเหมือนกันนะมันก็ยามก็ ง, งอกนิวันก็ ง, งอกแบบยาเนี่ยแหละแต่เรามีหน้าที่ไปไงตัดการตัดให้เกิดความราบเรียบตัดแล้วเดี๋ยวมันก็ ง, งอกมาใหม่อีกเราก็ต้องขยันตัดนะ ถ้าไม่ขยันตัดไปไงเขามาตัดให้ได้เสียเงินถ้าเรามันเกิดนิวรณ์มาแล้วถ้าหากว่าเราไม่ขยันตัดธรรมชาติมันจัดให้นั่นก็หมายความว่าเราจะต้องทุกไปตามนั้นทุกขไปพอเราไปแก้ขยันตัดปั๊บมันก็เปลี่ยนแปลงจากความถ้าสมมตยยิหน้าบ้านตัดหญ้าอยู่ประจำหน้าบ้านรบไหม หน้าบ้านสวยงามการเข้าไปจัดการตรงนั้นได้เกิดสีเนี่ยเกิดความปวเป็นระเบียงเรียบร้อยสวยงามร่างกายคนหน้าง่วงกับหน้าตื่นเน็ตไปหน้าต่างกันไหมหน้าตื่นเนี่ยเปไ็นยังไงแต่ยิ้มแย้มแ จ, ใจใ่มใสอย่าหน้าง่วงเไปหน้าบูดบเบี้บยวเบว <c oughs> หน้าโศกโศกซมซ ม, มไปอย่างนั้นเลยในชะ่ไหมลักษณะเดียวกันก็แล้วไม่มีสีนั่นคือผิด ป, ปกติหน้าผิด ป, ปกตินะอันนี้เห็นไหม อันนี้ก็ให้เกิดสิ่งการเข้าไปจัดเรื่องอันนี้จังก็ให้เกิดสิ่งแล้วตั้งใจที่จะตัดก็ให้เกิดอะไรสมาธิความสม่ำเสมอราบเรียบของจิตอ่าพอเราตัดอันนี้วอนจิตก็จะราบเรียบสม่ำเสมอใช่ไหมตื่นตัวสม่ำเสมอนี่สมาธิเกิดล้เสร็จแล้วเราคอยระวังทั้งอันนี้จังทุกขังอัตตาไม่ให้เกินอ่าไม่ให้เกินขอบเขตคอยระวังอยู่เสมอตรงนั้นการเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องเนี่ย เป็นตัวปัญญานะซึ่งต้องใช้ความพยายามสูงมากดังนะนั้นตัวนี้ถึงแม้ว่าจะยากขนาดไหนก็ต้องทำเพราะมันเป็นมันเป็นกฎของมันอย่างนี้แหละนะแล้วสติปัญสีต้องตามด้วยสมปะทานสีสติปัญานถึงจะได้ผลแต่การที่สมปะทานสีจะมีกําลังต้องมีตัวรู้ตัวทั่วพร้อมสี่ประการก็อันนี้เคยบอกแล้วเนาะ รดตัวทัวพร้อมสี่มาด้วยกันสิติปัญญาสีต้องตามด้วยสัมปชัญญะสี่จำอย่างจำได้มั้งคุณวิชัยสัมผัสี่มีอะไรบ้างลืมไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยเข้ามาตรงไม่ได้ตั้งใจจำมาแต่หลวงพ่อท่านก็ไม่ได้บอกให้จําำจ่ทําให้ได้เท่านั้นเองนะทําให้ได้แต่ถ้าทำไม่ได้ก็ต้องจําไว้ก่อนเหมือนการเราจะไปเรียนเลขเนี่ยถ้าจําสูตรคูณไม่ได้เนี่ยไปรอดไหม ไม่รอดอันนี้คือสูตรคูณนะสองหนึ่งสองสองสองสี่สองสามหกสองสีสงส่ประกกัสมยก่อนที่เรียนก็ท่องไปดาขยันหน้าห้องเลยน ะ, ะก่อนแก่เลิกหรือเข้าเรียนก็ต่องท่องอขยนันอันนี้ก็เหมือนกันท่อง่องเอาไว้ว่างบางครั้ง น, นนะความรู้สึกตัวทั่วพร้อมสี่ประการประการที่หนึ่งอุปจิบก่อนเลยนะไม่ใช่สมมุติว่า เราจะไปดื่มน้ำํำเงี้นะอะไรไปก่อนหนต้องรู้เป้าหมายว่าเีจยไปจิเราต้องการอะไรสมมุติว่านั่งอย่างเงี้ยขามันหนักใช่ไหมหนักขึ้นเรื่อยๆเป้าหมายของเราคืออะไรเราต้องการหนักไหมเป้าหมายของเร า, ต, ารรต้องการเลยต้องการเบาใช่ไหมที่นี้เป้าหมายของเราโอเคเบาตอนนี้มันหนัก่เราจะไปถือเป้าหมาหมายเบาได้ยังไง ก็ต้งลืมแล้วใช่มต้องลืมจากการขยับการตามรู้ต่อการไปสู่เป้าหมายจากหนักไปสู่เบาเนะี่ยอันนี้เรียกว่าศาสตรกะสัมปชัญญะง่ายๆเลยนะเป้าหมายที่หนึง่งต้องรู้ว่าเรานั่งอย่างนี้นานเข้าทําไมมันไม่คงที่อ่ะเมื่อกี้เปลี่ยนใหม่ๆ ม, มันเบาใช่ไหมสักพักถึงมันหนักอีกแล้วมันก็ต้องเปลี่ยนจากเป้าหมายหนักไปหาเบาใหม่ การตามรู้เป้าหมายหนึ่งไปสู่เป้าหมายหนึ่งอย่างต่อเนื่องเรียกว่าซาตะกะสัมปชัญญะให้เห็นความต่อเนื่องอันที่สองสปายะสัมปชัญญะรู้ตัวทุกพร้อมว่าเมื่อเกิดเป้าหมายของเราเน้นจนเป็นเป้าหมายที่สบายเรียกว่าสปญญายะไม่ใช่เป้าหมายที่ไม่สบายเป้าหมายที่สบายปกติแล้วเราเปลี่ยนไปแล้วเนี่ยอันไหนที่ทําให้ปกติได้นา น, าน เราก็พยายามรักษาตัวสบายนั้นไว้นี้ตัวสบายเนี่ย <c oughs> มันจะอยู่ได้นานไหมไม่นานจช่มันเปลี่ยนไปพราะอะไรไปสู่เป้าหมายที่สามการที่เราจะรู้เป้าปหมายชัดจะต้องมีโคจระสัมปัญ ญ, ญาคือการกลับใจต้องมาร่วมกันชัดๆถ้าชมมวติเรานั่งอยู่นี้ใจคิดไปที่ไหนไม่รู้ ความจริงตรงนี้หนักตั้งนานแลน้วนะเอลเคสหมดอ่ะนั่งเล่นไฟนะแต่ใจมันไม่อยู่เป้าหมายตรงเนี้อ่ะใจไปอยู่ที่ตัวเลขนูนน่นน่ะเนาะใจไปอยู่ฝ่ายตรงกันข้ามไอ้ตัวนี้หนักจะตายแล้วเนี่ยมันไม่ยอมเปนอ่าไม่รับรู้เพราะกายกับใจไม่ได้ไปเยอะแันกายอยู่ที่โคจรสัมปชัญญะก็ไม่เกิดให้รู้ตัวว่ากายกับใจต้งไปด้วยกันเสมอในขณนะเปลี่ยนนะเรียกว่าโคจรด้วยกันนะโคจรสัมปชญะอันที่สี่ ขณะที่เริ่มต้นถึงถึงที่สุดไม่ว่าทั้งที่เริ่มจากเป้าหมายที่เราต้องการจะให้เป็นก็ตามสองที่เป้าหมายที่ต้องการก็คือความสบายสามความสบายเกิดขึ้นเมื่อกายกับใจมาอยู่ด้วยกันอย่างชัดเจนจึงเห็นเป้าหมายนั้นการทบทวนอาการทำงานนี้อย่างชัดเจนอยู่เสมอเรียกว่าอะสมโมหะสัมปัญญะคือไม่หลงลืมขบวนการทั้งหมด ให้ชัดอยู่เสมอนี่เรียกว่าสัมปชัญญะถ้าสมมติว่าเราจะเิญสติไอ้ความชัดเจนเหล่านี้ไม่ไม่ไม่ต่อเนื่องนะแต่หลวงพ่อท่านจาใช้ก็ให้รู้สึกตัวต่อเนื่องเป็นลูกโซ่แค่เนี่ยภาษาของท่านนะแต่พามันควบคุมกินความหมายทั้งหมดได้แก่สัมปชัญญะสีนั่นเองแต่คือความรู้สึกตัวต่อเนื่องให้เป็นลูกโซ่ดูเหมือนง่ายๆนล เราเราก็ไม่อยากทําเพราะมันง่ายเกินไปแต่พอไปดูสูตรของที่ท่านกล่าวเอาไว้อ๋อได้แก่สัมปชัญญะสี่นั่นเองความรู้สึกตัวต่อเนึ่งให้เห็นในความรู้สึกนั้นเป็นลูกโซ่แต่ความรู้สึกมันก็ฝังปไปในในความรู้สึกที่เราต้องการความเป็นรู้สึกดีหรือไม่ดีถ้าไม่ได้บอกแต่เราต้องเกิดปัญญาเอาเองเมื่อเรารักษาความรู้สึกตัวต่อเนื่องเราต้องการความรู้สึกที่ดีหรือไม่ดีเยืพรรษา จำเป็นต้องบอกกันไหมแต่เราไม่ค่อยทอะนะํามาเนาะบางครั้งปวดใจแย่แล้วเป็นความรู้สึกที่ไม่ดีล้วก็อยู่กับมันอยู่นะอย่างนั้นบางครั้งบางครั้งง่วงใจแย่อยู่แล้วเราก็ยอมแก้กับของที่ไม่ค่อยดีแต่เราก็อยู่กับมันอะ่ะเห็นไหมมันไม่ง่ายนะไม่ง่ายของง่ายๆแต่ไม่ง่ายเอาละทีนี้เมื่อเรามารู้จักว่าเออสติเนี่ยมันจะสมบูรณ์ได้ต่อเมื่อมีสัมปชัญญะสี่เป็นตัวหนุน และสัมปชัญญะสีนี้จะอยู่ต่อเนื่องได้ต้องมีความเพียรสีประการที่กล่าวมาเมื่อกี้มินโฟระวังสองแม้ระวังขนาดไหนมันก็เกิดไอ้ความหนักตัวเนี้ยก็ตัดออกไปเพราะตัวนี้ตัสติเข้าไปจัดการแต่เนื่องจากที่เรายังมีทุกความไม่สบายอยู่ก็เนื่องจาก่ากาันเราไม่ขยันถึงขนาดจะต้องทําตลอดเวลาก็เร า, เราเคยชินนะเนอะเคยชินกับความอย่อยางเงี้ยท้อทนได้ก็ทํามันไป ไอ้ตรงนี้ซึ่งมันเป็นเรื่องที่ท้าทายเนี่ยอามาเองก็พยายามทำเรื่องเรื่องเหล่านี้แต่ว่าก็ต้องสู้กับสัญชาตว์ยานเดิมขเขาด้วยเองไม่ใช่ธรรมดานี่มันก็จะมีผิดพลาดบุกร่องอยู่นั้นแหละแต่เราทําให้มันน้อยเท่านั้นเองอ่าเราทาให้มันน้อยกล้วยนี่มีสองประเภทกล้วยป่ากล้วยป่ากับกล้วยบ้านทําไมคนจะไม่ชอบปลูกกล้วยป่า ถ้าทนนี่มันแข็งแรงมันเป็นลูกดกนะมาไปอยู่วัดทำราชคฤที่พยาวที่ใจที่มืองงามกล้วยป่ายเยอะมากเลยวันหนึ่งไปเห็นกล้วยป่ายสุขเอามาบอกพระเอาไปตัดมาเราเอามาทานทานแล้วทานได้ไหมคุณอนุกรก็เห็นกล้วยป่ายใช่ไหมทานได้ไหมเพราะอะไรเม็ดมันเยอะเม็ดมันทั้งลูกเลยอะ่ะเม็ดมันอ่ะเม็ดมันมีทั้งลูกเลย ฉันใดก็ดีในสิ่งไหนก็ตามถ้าสิ่งนั้นดูเหมือนจะดีแต่ว่าสาระมันมีน้อยเนื้อที่จะกินมีนิดเดียวใช่ไหแต่เม็ดมันเต็มสิ่งที่มันกินไม่ได้คือสิ่งที่ไร้สาระมันเยอะ <c oughs> ก็จะไปเสียเวลากับมันความง่วงมีสาระไหมทำไมเสียเวลา ง, ง่วงความเบื่อมีสาระไหม ทำไมเสียเวลาที่จะเบื่อความขี้เกียจมีสาระไหมทำไมเสียเวลากับความฟุ้งซ่านมีสาระไหมทำไมไปเสียเวลากับมันอันนี้คือง่ายๆเลยนะไม่ใช่ไกลเราไปเสียเวลากับสิ่งที่ไร้สาระแต่สิ่งที่มีสาระกลับไม่ให้เวลากับมันเพราะอะไรชมฮะ ม, <laughs> มันยากนะปลาบางตัวเนี่ยมีกังเยอะเราชอบซื้อมา เราเป็นซื้อปลาที่ไม่ค่อยมีก้างอยมีก้าง น, น้อยนเพราะสาระมันเยอะกว่าแต่ก้างมันเยอะเกินไปสาระมันน้อยกินก็ยากเคี้ยวก็ยากติดคออีกนะใช่ไหมแต่บางคนมันก็ชอบนะเพราะอะไรมีวิธีทําเอาไปตากให้กรอบเลยนะเอาไปทอดให้กรอบเลยกระดูกก็ก้างก็ไม่มีปัญหาแล้วใช่ไหมอันนั้นเริ่มีพิธีพิเศษอีกนะดังนั้นเอง เราก็เช่นเดียวกันในชีวิตประจำวันของเราถ้าเราเห็นสาระอันไหนเป็นสาระมากเราก็พยายามทํามันั้นอันไหนที่สาระน้อยอย่าไปเสียเวลากับมันนั่งเบื่อเ บ, อเบอือง่วงง่วก็อยู่พราอย่างนั้นอะ่ะอยู่กับเรื่องไรสาระ <c oughs> <c oughs> เราจะไปโทษใครเลยคุณปรโยชน์ว่าปฏิบัติกับหลวงพ่อมาตั้งนานไม่เห็นก้าวหน้าเลยต้องไปโทษหลวงพ่อได้ไหม อโทษตัวเองอะ่ะใช่ไหมว่าเราพเราเขาบอกสิ่งที่ดีถูถูกเท่านั้นะแต่ทําไมเราไม่ก้าวหน้าเพราะเราไปเลือกในสิ่งที่เราหลวงพ่อไม่ได้บอกให้เอานะแต่เราไปเอาอะ่ะอออันนี้คือเรื่องสําคัญที่เราจะต้องไปศึกษาให้ดีความเมืองความม่วงเป็นเรื่องไร้สาระมากแต่กูก็ <c oughs> ชอบ ม, ม่วงนะเ <c oughs> มันเป็นเรื่องที่แปลกแต่จริงนะแล้วก็ถ้าหากว่าคําสอนวุฒิเจ้าเอาแค่สองสามหมวดที่ว่ามาเนี้ยพอเลยใช่ไหม แต่ขอให้ทําให้จริงขอให้ไม่ต้องไปรู้เรื่องว่าไต่วิฎห์ทั้งหมดหรอกแปดหมื 84, น่นสี่พันแลวมาขัดไม่ได้แค่สถิติสมญะหาวในมีสาระไหมโยมจีลาพรทําไมต้องหาวอ่ะเห็นไหมมันเราบอกมันไม่เพี่ยงเป็นทุกขังอันนี้จังหน้าตาใช่ไหมอันนี้จังทุกขังหน้าตาเป็นสิ่งที่แต่สาระกับสิ่งที่เป็นสาระมันสร้างซึ่งกันและกันใช่ไหม ปลาไม่มีดุไม่มีก้างเนี่ยมันเป็นปลาได้ไหมไม่ได้เนี่ยมันก็สร้างมาจากนั่นแหละนะถ้าเราจะไปเลื่อยไม้โอ้ไม่อยเลื่อยเลวขี้มันเยอะเกินขี้เลื่อยเนี่ยไม่ยอมต้องการแล้วมันจะเป็นไม้ให้เราไหมไม่เป็นนี่มันมาด้วยกันนั่นแหละต้นหักนี่ไปเก็บเอาแต่ยอดมันมาแล้วอย่าเอาต้นมันมา ผักมันมีแต่ยอดชใช่ไหมอะไรใช่หมมันก็มีต้นน้องวันไอสิ่งที่ไม่เป็นสาระนั่นแหละมันถ้าไม่เกิดสาระแต่เวลาใช้เรานึกไอส่วนที่เป็นสาระแต่ถ้าเลือกอแต่ส่วนที่เป็นสาระเราไม่ยอมรับส่วนที่ไม่เป็นสาระเลยเนี่ยได้ไหมจะเลือกแต่ยอดผักแต่ไม่ยอมรับต้นผักเลยไม่ได้มันมาด้วยกันนั่นแหละถ้าเราไม่มีนิวรณ์ห้าเราจะมีตัวสติปัญญามาต่อสู้กับอะไรใช่ไหมนั่นแหละตัวนิวรณ์ห้ามันก็สร้างปัญญา ถ้ามีมินิวันห้าปัญญาเกิดไหมก็ไม่เกิดก็พวกพรมทั้งหลายเนี่ยขเขาก็ปฏิสมาธิไม่ยอมซูนอวนเขาบังคับอวันกันอยู่นะ่ะแล้วเป็นอริยะไม่ได้เป็นแค่นั้นนะบางครั้งเนี่ยให้ระลึกในสิ่งที่ง่ายๆอย่างเนี้ยไม่ต้องไปคิดไปลึกหรอกแต่ว่าทําให้ได้ทั้งนั้นในสิ่งที่ง่ายๆความเจ็บปวดในร่างกายไม่มีสาระแต่ว่าทําไมเราปล่อยให้มันอยู่กับร่างกายเรานาน อ่าไม่ต้องคิดไกเลยนะเพราะกดของอะไรใจรักแต่เราไม่ต้องการมันเราจะทำไงเอาส่วนที่สบายเหมือนไปเก็บผักไปใช่ไหมไม่ต้องวัดัต้นหรอกเอาแค่ยอดมัมาอย่าไปเก็บผักหวานอย่างเงี้นะอถ้าคุณเก็บยอดผักหวานแล้วคุณคนต้นมันทิ้งพี่เดว้ยังกินผักหวานไหม ในสิ่งสาละก็รักษาไว้ตรงนั้นแหละอย่าทิ้งเดี๋ยวมันจะงอกสิ่งที่มีสาระขึ้นมาอีกนะเงินที่ใช้ไม่ได้ธนาคาระไปเก็บที่ธนาคารมีสาระไหมมาเก็บที่บ้านเดี๋ยวหายใช่ไหมมันก็ใช้ประโยชน์ไม่ได้แต่ถึงเวลาต้องการไปเดิี๋ยวยอดมันเอาอะไรทำไงเอาบัตรไปจำมาต้องการเท่าไหร่เอาเท่านั้นมาใช้ใช่ไหมก็ไม่ต้องถือให้มันยากเอาไปฝากมันะ ย, ยอมเสียกอกเบี้ยขอหนี้น้อยนะอันนี้ก็เช่นเดียวกัน เพราะนั้นมันมีเรื่องชีวิตประจำวันเยอะแยะไปหมดให้เราเรียนรู้แต่ว่าเนื่องจากว่าการปฏิบัติธรรมมันยังไม่ถึงขั้นที่ว่าเห็นรูปธรรมนามธรรมถ้าเห็นรูปธรรมนามธรรมแล้วเราจะปฏิบัติต่อนามธรรมาอย่างไรให้จัดการต่อรูปธรรมอย่างนั้นท่านใช้คำโอปัญิกูมในบทพระธรรมอ่ะใช่ไหมให้น้อมเอาตัวรูปธรรมเข้ามาเปรียบเทียบให้เห็นนามธรรมา ถ้าเราจะพอนามาทำมันเป็นโดยสภาวะเราเห็นไม่ได้เราก็ดูที่รูปธรรมรูปธรรมเกิดจากอะไรยมกายของเราเกิดจากอะไรง่ายๆนะปัญหาไม่ยากเลยนะตอบพวกเลยนะอย่าลังเลยถ้า <laughs> สี่ถ้าสีสเาส่เกิดจากอะไรเไรนี่ยถ้าตอบไม่ถึงตรงโพดูนะัดเดียวมาก็าถามต่อไปเรืเ่อยๆแหละต้องไปหาไปถึงจุดมันจะได้แหละ เกิดจากต่รักแล้วแต่รักเกิดจา่อะไรกรรมฮะกิจกรรมไม่จบหรอก <c oughs> <c oughs> ไม่จบเกิดต่อเมื่อการกระทบระหว่างตาของพ่อเราก็ไม่ใหเราไปกระทบกับตรงนั้นท่านรู้สึกอย่างไร <c oughs> ใช่หผัสะ <c oughs> <c oughs> ตรงนั้นก็ยังเป็นนามธรรมาอยู่ใช่ไหม <c oughs> คือกระทบที่จิตกระทบแล้วเกิดความชอบหรือไม่ชอบ <c oughs> อ่าตอนนี้หนุ่มหล่อสาวสวยเนาะก็เลยชอบความรู้สึกชอบ เป็นรูปธรรมหรือนามธรรมเป็นนามวรูปอ่าเป็นนามวรูปแต่มันก็เกิดมาจากความรู้สึกใช่ไหมเรามีความรู้สึกถ้าเราไม่มีความรู้สึกเห็นแล้วเฉยๆไม่มีความรู้สึกต่อหนุ่มคนนี้ต่อสาควคนนี้มันจะเกิดความพอใจไม่พอใจไหมไม่ใช่ไหมมันเริ่มได้แต่นู่นเลยเราก็คือนามธรรมาา น, น, นั่นเองเริ่มต้นมาจากนามธรรมาาใช่ไหมแต่เนื่องจากมีอะไรคิดพัฒนา ม, มาเป็นรูปธรรมเนื่องจากอ่ะ วิชาอ่ามันไม่ทันต่อความรู้สึกที่เป็นนา ม, มาธรรมอนั้นจึงขอให้เป็นนา ม, มารูปใช่ไหมคือความพอใจไม่พอใจแล้วนา ม, มารูปต่อมามันก็มีความทุกข์เกิดขึ้นมันก็พัดเอานา ม, มารูปมาอยู่ด้วยการกลายเป็นรูปนามตัวใหม่ขึ้นมาลกลายมาเป็นเรานี่แหละใช่ไหมดูให้ดีนะกายกับใจเป็นสิ่งเดียวกันเราจะต้องการดูใจก็ดูที่กายนี่แหละคุณไป ด, ดูแต่กายไม่เลยคุณจะเห็นใจอ๋อ ถ้าคุณไม่มีใจแล้วคุณจะมีกายได้ยังไงใช่ไหมอ่าพวกหลวงพ่เห็นหลวงปู่สั้นๆดูกายเห็นนี่แหละเห็นจิตใช่ไหมอ่าดูคิดเห็นทําเนี่ยก็ เ, เป็นที่ไปที่มาของตัวนั้นถ้าคุณจะเยอะดูใจก็ดูกายให้ชัดๆมันก็เห็นใจเองอ่าใช่ไหมมันมีใครเออถ้าจะไปดูแต่ใจแล้วคุณไม่ดูกายซะก่อนแล้วคุณเอาอะไรไปดูใจล่ะเพราะดูกายจนชานาญแล้วมันเกิดตัวรู้ ดูรู้โดนนั่นเองจะไปทำหน้าที่ดูใจเองมันจะไปดูของมันเองไม่ต้องเข้าไปดูหรอกแต่บางคนดูใจยังไม่ดูกลยไม่ถึงเวลาที่ไปดูใจเลยรีบไปดูใจผิดทางแล้วผิดทางเพราะอะไรเพราะเรื่องกายหยาบๆง่ายๆยังไม่ชํานาญเลยอ่ะแล้วคุณจะไปดูกายใจได้ไงเมื่อพัฒนาดูกายให้เป็นแล้วเนี่ยมันจะไปดูของมันเองหลวงพ่อเห็นว่าไง เมื่อแมวมันจับหนูยังไม่ได้พราะหนูตัวมันใหญ่แมวมันเล็กคุณไม่ต้องไปด่าแมวคุณไปทําไงกับหนูใช่ไหมก็ให้อาหารแมวเยอะเดี๋ยวแมวมันโตจัดการหนูเองไม่ต้องไปสอนแมวเรกเธอต้องไปจับหนูยังไม่ต้องไปสอนมันยากมันจัดการของมันเองเมื่อเราพัฒนาตัวรู้ยังไม่ถึงที่สุดมันยังไม่โตพอก็ไม่ต้องอย่ารีบไปดูใจแต่เมื่อความรู้สึกทางกายจาช้าวินจานาญถึงที่แล้วเนี่ย ความรู้สึกทางกายมันจะไปจัดการใจเองไวใจมันมีอะไรไปจัดการของมันเองขนาดมันมันฝึกทักษะนี้มาจากกายแล้วใช่ไหมก็ฝึกให้มันเห็นให้หมดทั้งรยบทใหญ่บทด้วยลมห้ใจท่าซีอาการสามสีสองของเสียทั้งหลายที่มันเกิดยังไงดูให้มันครบถ้วนดูบ่อยๆแต่ดูทั้งหมดมาบอกว่าให้มันเหลือสองเหลืออะไรกันอะไรเอาอยู่แล้วเอายละเหลือรูปนามอยูล้ใครจะอบ ง่ายๆนะเมื่อวานพูดมาทั้งวัน น, นั้นนหะเรื่องเนี้ยให้เหลือสองหลือเกิดเหลืออะไรเกิดดับก็ดูยากอีกแกะดูหนักดูเบาสบายไม่สบายทางกายถ้าอยู่โดยกายดูที่ความสบายนั่นไม่สบายมันเปลี่ยนแปลงได้เห็ น, เ น, เนแต่ละเวลาใช่ไหมจะไปดูผมโคนเล็บฝันนังก็ยากอีกไปอยู่ท่าสี่ก็ยากอีกไปอยู่ขันห้าก็ยิ่งยากขึ้นอีกใช่ไหมแต่ดูอาการของมันมันมีแค่สองอาการทางกายคือ สบายนะไม่สบายแต่เรารู้สบายไม่สบายทางกายไม่ชัดมันแปลมาเป็นอะไรชอบใจนะไม่ชอบใจพอใจนะไม่พอใจใช่ไหมไอ้ัวพอใจไม่พอใจก็พัฒนามาเป็นราคะโทสะโมหะอย่างที่เรารู้มันพัฒนมาจากตรงนี้วเราไม่ตามรู้ความสบายไม่สบายเห็นว่ามันเป็นเรื่องง่ายเกินไปใช่ไหมโอเคนี่ไปรู้เรื่องอะไรมันง่ายเกินไปฉันจะไปดูน่นธาตุสี่กันห้ายัตนะสิบสองปฏิเชษสุบาติทศสี่มักมีองแปดไปเรียนรู้น่นดีกว่ามัน มันสมภูมินักปฏิบัติหน่อยแล้วไปได้ไหมไประโยชน์เก้าในเืองไทยเนี่ยเป็นกองบริทนเทื่งนั้นนะไปถามเรื่องวิปสัสนาไม่รู้เรื่องสักคนนะในแง่ของข่าวปฏิบัติในชะ่ไหมไปรู้เรื่องในสิ่งนั้นมันยังไม่จําเป็นยนะังไงแต่จอมจําเป็นเอาสิ่งนี้ก่อนนะแล้วก็ปรับไปเรื่อยแต่ปรับความสบายมันสบายกายไปนี้เขาอยู่แค่กายนะปรับอยู่แค่เนี้ยแต่ถ้ามันเกินแนละ้วมันไปเหลือไปสู่จิตเดีถ้ามันเกินปรับให้มันพอดี ไม่ใช่ปรับให้มันสบายปรับให้มพอดีเนะี่ยถูกกว่าถ้าปรับให้มันสบายสบายมากสบายน้อยเองนะเมันอกีนนะ้จะคืน่ะถ้าสบายเกินไปเป็นไงเป็นเพลินเป็นเสกถ้าให้สบายเกินไปก็กลายเป็นปฏิฆางุนหงิดอึดอัดใช่ไหมถ้าปรับให้มันพอดีพอทนได้สุขก็พอทนได้ทุกข์ก็พอทนได้เกิดมัชชิ ม, มาปฏิปทานีน่พุที่จ้ท่านก็บอกแค่นี้นะท่านก็ม่เดือดรึซึ่งอะไรนะให้ดูแค่สามอย่างดูแค่พอดีไม่พอดีแล้วก็ ให้มันเป็นกลางนะดูแค่สามอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นผู้ที่จะเข้าเก็บอรมเข้มเนี่ยให้ไปทำจุด น, นี้ให้ได้ว่าอันไหนที่เป็นส่วนที่ต้องการก็ทำจุด น, นั้นเป็นประจำต้องการให้มันเบาสบายก็ทำเป็นรื่องเบาสบายให้ปรากฏแต่อย่าเสกให้กายเบากายเบาบจิตเป็นกายยาละหุ่ตาจิตตะละุตา เมื่อมันเบามันสบายอย่างนี้แล้วเมื่อเวทนาเบาบางจิตก็จะวิ่งไปสู่ตัวสมาธิตัวปัญญาของมันเองจิตที่เบาสบายมีเวทนาน้อยเป็นเหตุใกล้ให้เกิดตัวสติสมาธิปัญญาโดยธรรมชาติเลยแต่ถ้าจิตมันหนักถ้ากายมันหนักนุ่งทวงถ้ามันทุกขมันบีบคั้นเป็นเหตุใกล้ให้เกิดอะไรพอไม่พอใจราฆาโทูตสาวุหะ ความสบายเกินไปเปเหตุก็ให้เกิดราคะความไม่สบายเกินไปเปเหตุก็ให้เกิดโทสัความจิดเพลินในความสบายไม่สบายไปเหตุก็ให้เกิดโมหะแล้วก็แก้ไขออกไปไปเสียอย่าให้มันเกินปรับให้มันพอดีถ้ามันพอดีมันจะง่วงเป็นไหมไม่เป็นถ้ามันพอดีมันจะเบื่อเป็นไหมไม่นี่วนห้าหายไปด้วยอัตโนมัติเลยถ้ามันพอดีแล้วก็ปรับอย่างนี้แหละ เพราะฉะนั้นในวิธีการที่วิธีการหลวพเทียนเป็นลักษณะที่ปฏิบัติง่ายเข้าใจไวใช่เพรว่าสุขาปฏิปทาคิปปัญญาปฏิบัติง่ายารู้ไวแต่ปฏิบัติทั่วไปเป็นทุกขาปฏิปทาทันทาปัญญาปฏิบัติยากและรู้ชา้าแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นหมายความว่าต้องเอาไปขยันทํานะไม่ต้องอาศัยปัญญาอะไรมากหรอกแต่ขยนันปรับขยันแก้เท่านั้นแหล ะ, ะมันก็จะเป็นก็ได้เอง ก็ทําไม่ต้องทําอะไรหนักขยันปรับพยายามแก้ทําทําไงก็ได้ยืนทําเดินทํานั่งทานอนทําถ้าทําให้ถูกต้องแล้วเนี่ยไม่ต้องไปกลิงว่าใครจะมาว่ามาบอกเราก็จะเป็นเหตุใกล้เสี่ยงเราก็จะไม่ทําฏิบทนั้นเพราะเราไม่มั่นใจว่ากําลังสดิสัมผัเราพอที่จะประคองไอ้ดวเพลินเนี่ยให้ออกไปได้ไหมนะั้นในส่วนนี้เราก็จปรับเอาเฉพาะปฏิบัติที่ไม่เสี่ยง ไม่เป็นเหตุกล้ให้เกิดตัวพอใจและไม่พอใจนะไปปรับเพราะนั้นดูแล้วชีวิตนี้ไม่มีอะไรทุกเลยนะถ้าจัดการเป็นนะแต่ถ้าจัดการไม่เป็นทุกชีวิตนี้มีอะไรทุกเท่านั้นเกิดขึ้นทุกนั้นตั้งอยู่แล้วทุกเท่านั้นถับไปถ้าจัดการไม่เป็นนั่นคือหลักมัชชิมาปฏิปทานะมัชชิมาถาก็นำไปสู่ตัวความพอดีทางสายกลางแต่ทางสายกลางเป็นทางของอริมานำไปสู่ความ ประเสริฐนำไปสู่ความยอดเยี่ยมของชีวิตนำไปสู่มรรคผล น, ผนิพานโดยธรรมชาติของมันเนาะเอาละทอนช้านี้คุยแค่นี้เวลาเอาไปเก็บไปทำทั้งวันไม่จบนะแค่นี้นะเอามาก็ยังมีหน้าที่จะดูไข่มาทำแกไขให้พอดีได้หรือเปล่าตรเนี้สักพักมนันน่งง่วงเอามาแล้วอยากจะเป็นแบบพระเซนยังนะแบก ไ, ไม้นายสามเดินรอบดูข้างหลัง ภาพเส้นแบบนั้นนะเอาคุณนั่งปฏิบัติไปยันแบกไว้หน้าสามเดินรอบไปรอบมานะใครเพลอภาพกับภาพข้างหลังนลยนะแต่ที่เห็นภาพผู้ไม่ใช่เบรนนี่นะโน้มตัวลงด้วยนะท่านก็สัดหลังปั๊บปั๊บปั๊ปอ้นี้ก็ต้องยกมือไว้ทีนี้ก็นั่งทําต่ออที่เขาทาเป็นคลิปมาในในวัดเส้นที่ญี่ปุ่นหน่อใช่ไหมท่านก็เดินแบกไว้หน้าสามรอบไปรอบมาอย่างนั้นใช่น้ำรอบความผิดพลาดอของเราเป็นไง้ย อ, อย่าลือาจารย์อย่ามายุ่งเลเรื่องส่วนตัวนะไปนู่นเลยนะเอออย่ามายุ่งนักเลยเรื่องของฉันฉันจะทําไงไม่ได้ไฉันไปนู่นเลยนะไม่ได้น้อมรอบเลยนะเกิดปฏิฆาอีกต่างหากเพราะฉะนั้นต้องระวังนะถ้าไม่มีอะไรสงสัยเอาแค่นี้เนาะแล้วขอ้อนุทนาสาธุในความตั้งใจศึกษาเรียนรู้ในสิ่งที่นากล่าวมาทั้งหมด เพราะเราจะได้ประสบความสุขอันสูงสุดแระว่าบรมสุขคือมรรคผลนิพพานในการทุกคนุกท่านถือ